คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของความดีคำสอนที่70บุญแปลตามศัพท์ว่าชำระฟอกล้างท่านแสดงว่าแบ่งเป็นสองส่วนคือบุญที่เป็นส่วนของเหตุได้แก่ความดีต่างๆเรียกว่าเป็นบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว บุญส่วนที่เป็นผลคือความสุขบุญที่เป็นส่วนเหตุคือความดีเกิดจากการกระทำถ้าอยู่เฉยๆไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้นการทำบุญนี้เรียกว่าบุญกิริยาจำต้องมีวัตถคุคือสิ่งเป็นที่ตั้งและสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญทางพุทธศาสนาแสดงโดยย่อ3สามอย่างคือ บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาบุญคือความดีทั้ง3ข้ออันจะเป็นเครื่องชำระล้างความชั่วตลอดถึงรากเหง้าของความชั่วคำสอนที่71 กุศลแปลว่ากิจของคนฉลาดหมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญอากุศลแปลว่ากิจของคนไม่ฉลาดหมายถึงความชั่วเช่นเดียวกับบาปสรุปความว่าผลของบุญคือความดีนั้นคือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจเพราะการทำบุญคือความดีโดยตรงมุ่งชาระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธ สะอาด จ, จากโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลเรียกว่าทำบุญเพื่อบุญหรือทำความดีเพื่อความดีแต่และคนลองหัดทำบุญเพื่อบุญจะได้ความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำ คำสอนที่72ิความดีมีอยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นคนดีขึ้นเพราะทำดีเมื่ออยากดูหน้าตาของความดีก็จงส่องกระจกดูหน้าตัวเราเองจะรู้สึกภูมิใจซึ่งแฝงอยู่ในใบหน้าในสายตาอันสอเข้าไปถึงจิตใจที่ดีอาจมีความอิ่มใจในความดีของตนเป็นอย่างมาก แต่ถ้าตัวของเราเองทุกคนทำไม่ดีต่างๆก่อให้เกิดทุกข์ร้อนเสียหายแก่ใครๆก็จะเป็นที่ติฉินนินทาเพราะการทำนั้นก่อให้เกิดโทษนี่คือความชั่วที่มีอยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นคนชั่วเพราะทำชั่วเมื่ออยากดูหน้าตาของความชั่วก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเราเองจะรู้สึกถึงความอัปยายอดสู ความปิดบังซ่อนเร้นแฝงอยู่ในใบหน้าในสายตาอันสอเข้าไปถึงจิตใจที่ไม่ดีอาจมีความเศร้าส้อยตำหนิตนเองรังเกียจตนเองคำสอนที่73เมื่อทำดีก็ได้ผลดีทันที เมื่อทำชั่วก็ได้ผลชั่วขึ้นทันทีอันผลดีผลชั่วที่ได้ทันทีนี้ก็คือความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วเมื่อทำดีก็เป็นคนดีขึ้นทันทีเมื่อทำชั่วก็เป็นคนชั่วทันทีตนเองจะรู้หรือไม่รู้ผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงสัจจคือความจริงดังกล่าวนี้ได้แต่ว่า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 ว่าการสละบริจาคสิ่งของอะไรแก่ใครๆหรือแก่องค์การอะไรๆด้วยการให้เปล่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าและมีความหมายตลอดถึงการให้กำลังกายกำลังวาจากำลังความคิดความรู้ช่วยในทางต่างๆสรุปแล้วมีสองอย่างคืออามิสถานให้พัสดุสิ่งของอันเป็นกำลังทรัพย์ภายนอกต่างๆ ธรรมทานให้ธรรมะอย่างบอกศิลปะวิทยาให้บอกทางของความดีความชั่วคำสอนที่75าทานคือการให้การสละกำจัดความโลภทานที่นับว่าจะอำนวยผลอันภัยบู์ ต้องประกอบด้วยเจตนาสมบัติถึงพร้อมด้วยเจตนาคือเจตนาดีแต่ก่อนให้กำลังให้และให้แล้วศีลได้แก่เจตนางดเว้นความชั่วตามองค์ศิขาบทที่ท่านบัญญัติไว้ผู้มีศีลย่อมปรากฏเป็นผู้มีการงานวาจาและอาชีพอันชอบได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้อา ภ, าภัยแก่สรรพสัตว์ย่อมได้รับความปลอดภัยเป็นผล ผู้มีศีลยอมได้รับผลคือความงามด้วยประการทั้งปวงภาวนาได้แก่การปฏิบัติอบรมให้สมาธิและปัญญาเกิดขึ้นการปฏิบัติอบรมให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถภาวนาได้แก่การปฏิบัติหัดจิตให้แน่แน่ด้วยการบังคับจิตให้คิดเป็นอารมณ์เดียวบุญ ให้ความสุขแช่มชื่นตราบเท่าถึงสิ้นชีวิตคำสอนที่76สศีลเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้แต่คนโดยมากมักควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้จึงรักษาปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลเป็นขอบเขตของความประพฤติไว้เพื่อช่วยให้คนรักษาปกติภาพของตนไว้นั่นเองส่วนที่ต้องรับจากพระนั้นก็เป็นเพียงวิธีชักนำอย่างหนึ่งเพราะโดยตรงศีล น, นั้นต้องรับจากใจของตนเองคือใจของตนเองต้องเกิดวิรัตทั้งสามข้อเมื่อใจมีวิรัตขึ้นแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ก็เกิดเป็นศียขึ้นทันทีวิรัตสนั้นคือความเว้นได้ในทันทีที่เผชิญหน้ากับวัตถุหนึ่งความเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศียไวหนึ่งและความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียวหนึ่งคำสอนที่77 เมื่อจักถือศีลก็ไม่ต้องไปที่ไหนอื่นถือที่กายวาจาจิตนี้แหละวัดก็ดีป่าก็ดีเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกแก่การถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหวังจะถือให้สะดวกจึงสมควรไปวัดเข้าป่าหรือสถานที่อันสมควรอื่นๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็นคําสอนศีลคือปกติกายวาจาและจิต ถ้าปล่อยกายวาจาจิตให้ผิดปกติแม้จะรับศิกขาบทหข้อก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติตามศิกขาบทก็ถือศีลไม่ได้เพราะศิกขาบทหยาบ ก, กว่าศีลเมื่อทำดีอย่างหยาบๆยบยังไม่ได้แล้วจะทำดีอย่างละเอียดได้อย่างไรการรับศีลนั้นแม้จะเป็นการรับจากพระภิกษุแต่ถ้าเป็นการรับเพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไรก็ไม่เกิดเป็นศีลได้ตรงกันข้ามถึงแม้ไม่ได้รับศีลจากพระภิกษุแต่มีใจงดเว้นก็เกิดเป็นศีลได้คำสอนที่78ศิศีลธรรมสามารถระงับภัยต่างๆได้แน่ โดยเฉพาะภัยที่คนก่อให้เกิดแก่กันเองภัยที่คนก่อขึ้นนี้อาจทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนไปได้ด้วยเช่นเมื่อตัดไม้ทำลายป่าเสียหายกันโดยมากไม่ปลูกขึ้นทดแทนให้พอกันก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นต้นฉะนั้นคนเรานี้เองเมื่อไม่มีศีลธรรมก็เป็นผู้ก่อภัยให้เกิดแก่กัน ตลอดถึงเป็นผู้ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได้ด้วยต่อเมื่อพากันตั้งใจอยู่ในศีลธรรมความปกติสุขย่อมเกิดขึ้นตลอดถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศย่อมเป็นไปโดยปกติทั้งคนอาจปรับปรุงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วยคำสอนที่79 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีลและมีจิตใจงามเพราะจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันเป็นสุขจริงๆทุกๆคนต้องการสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธแต่ทำไมไม่เดินในทางของความสุขไปเดินในทางของความทุกข์แล้วก็ร่ำร้องว่าไม่มีความสุข คำสอนที่80ข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร่ำรวยนั้นไม่ร่ำรวยในทางสุจริตจริงแต่คิดดูโดยรอบคอบจะเห็นว่าศีลเป็นข้อยกเว้นจากการถือเอาในทางทุจริตจึงไม่ได้ทางนั้นตรงตัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ทําให้เสียหายยากจนเพราะทุจริตของตนทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาทก็จกตั้งตนได้โดยลำดับผู้ที่มาถือเอาในทางทุจริตถึงจะร่ำรวยขึ้นก็เหมือนปลวกอ้วนเพราะกัดเสากับฝาเรือนปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไหร่เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้นจนอาจพังคลื่นลงไปฉะนั้นภกรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิ่ม ก็เพราะพากันประกอบกระทมในทางที่ชอบที่สุดจริตและไม่ทําตัวเป็นปลวกอ้วนคำสอนที่81อที่ว่าถ้ามัวถือศีลธรรมจะอยู่ในหมู่คนไม่ได้จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนั้น จึงผิดไปเสียแล้วเพราะเมื่อพิเคราะห์ดูตามเป็นจริงแล้วกลับเห็นว่าจะต้องหลบไปอยู่คนเดียวเพราะไม่ถือศีลธรรมมากกว่าคนที่อยู่ด้วยกันได้เพราะถือศีลธรรมต่อกันแม้หมู่โจรจะปล้นคนอื่นก็ต้องไม่ปล้นกันเองจึงคุมกันเป็นหมู่อยู่ด้วยกันได้แปลว่าต้องมีศีลธรรมต่อกันนั่นเอง คำสอนที่82สศีลและธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ ธ, ธรรมะเป็นเครื่องบำรุงจิตให้งดงามสร้างอัธยาศัยนิสัยที่ดีศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษถ้ามีเพียงศีล ก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษแต่ก็ยังมิได้ทําความดีถ้ามีธรรมะอยู่ด้วยจึงจะนําให้คุณความดีและทําให้จิตใจงามดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์เพราะมีศีลและเกื้อกูลสัตว์ด้วยเมตตากรุณาเพราะมีธรรมะความเมตตากรุณาซึ่งเป็นธรรมะจึงอยู่คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์คือมีศีล คำสอนที่83การหัดทำสมาธิอยู่เสมอให้จิตได้สมาธิที่ดีขึ้นและออกไปทำงานก็ใช้สมาธิในการทำงานคือไม่ใช้สมาธิมากำหนดอยู่ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งนำสมาธินั้นกำหนดในงานที่ทำงานที่ทำนั้นจะดีขึ้นเพราะว่าพลังของสมาธินั้น เป็นอันเดียวกันคือความที่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เมื่อน้อมไปตั้งอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็จะตั้งอยู่ในเรื่องนั้นได้มั่นคงเอาสมาธินั้นมาตั้งในงานที่ทำก็จะทำงานได้ดีและได้ตัวปัญญาอันเป็นผลของสมาธิเมื่อมีสมาธิในการทำงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเมื่อจะทาอะไร ก็ใช้สมาธิในสิ่งนั้นก็ได้ปัญญาในสิ่งที่ทำนั้นทุกอย่างคำสอนที่84พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตัวเองดูกายดูวาจาดูใจ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 คำสอนที่85เมื่อปฏิบัติหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลแล้วคือตรึกนึกคิดตริตรองมาในฝ่ายกุศลมากจิตก็ตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลมากและก็จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคเลี้ยงเป็นในปลายฤดูร้อน ท้องนาก็ไม่มีข้าวกล้าก็ปล่อยโคให้เที่ยวหากินไปตามสบายไม่ต้องกลัวว่าโคจะไปแวะเวียนกินข้าวกล้าของชาวนาจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้น้อมมาทางกุศลมากก็จะตั้งอยู่ในกุศลมากอยู่ตัวในทางกุศลมาก คำสอนที่86อาหารที่เป็นของจิตโดยตรงนั้นก็คือธรรมะที่เป็นคุณเกื้อกูลเช่นว่าเมื่อได้ทำทานก็ได้ปีติได้สุขในทานจิตก็ดื่มปีติสุขที่เกิดจากทานและเมื่อทานที่บริจาคที่ทำไปนั้นขัดเกลาโลภะมัจฉริยะในจิตเมื่อโลภะมัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสุทธ์ผ่องใสก็เกิดสุขปีติอันเกิดจากความบริสุทธิ์จิตก็ได้ดูดดื่มปีติสุขอันเกิดจากความบริสุทธินั้น